บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาพ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 จะสแสดงพระพุทธเจ้าทรงสอนกอาารรมฐานตามในยะตภ า, าสวะสังวรสูตรพระสูตที่ว่าด้วยความสำรวมคือระวังป้องสันอาศวะ นำสติปัฏฐานพระบรมศา ส, สดาได้ทรงแสดงบีทีละอาสวะที่จะแสดงในวันนี้นับเป็นข้อที่สอง ตรัสอนให้ละอาสวะด้วยสังวรคือความสำรวมอินทรีย์ทั้งหกอันได้แก่จักหุตาโสตหูฐานะจมูก อูหาลินกายะก็กายและมโนคือใจตรัสไว้ว่าเมื่อไม่สัรวมอินทรีย์ทั้งหกอาตรวะทั้งหลายที่เป็นเครื่องทำ ความขับแค้นความเดือดร้อนก็มังเกิดขึ้นแต่เมื่อสํารวมกินซีทั้งหกอาสวาทั้งหลายที่เป็นเครื่องทําความขับแค้นทําความเดือดร้อนก็ไม่บังเกิดขึ้น และคนได้ตรัสแสดงทางของการปฏิบัติด้วยทรงที่ว่าก็ให้รู้จักคำว่าที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจ กับธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจเพราะว่าเมื่อไม่รู้จักก็ย่อมจกใส่ธรรมะที่ไม่ควรใส่ไว้ในใจแปลว่าธรรมะที่ควรใส่ไว้ในใจ กับไม่ใส่ใจถึงเมื่อเป็นดังนี้อาสะวะทั้งหลายอันได้แก่อาสะวะคือกามอาสะวะคือพบอาสะวะคืออวิชชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นส่วนผู้ที่รู้จัก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 คำอะไรที่ควรใส่ไว้ในใจความเห็นผิดนี้ยังเป็นเหมือนลูกสอนที่เสียบแทนลูกจักที่เสียบแทนใจเป็นสัญญาต์กรึบเครื่องผูกใจเพราะฉะนั้น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 ย่อมเป็นตัวความเห็นถูกหรือเป็นเหตุให้เกิดความเห็นถูกฉะนั้นการหัดบัติฝึกปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและทางที่ จะทำให้เขาปัญญาก็คือความที่ขาดสติรักษาทวารทั้งหกหรือรักษาอินเตทั้งหกดังที่กล่าวมา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 นำให้บังเกิดกิเลสคือเครื่องเศลลมองลงไปสู่จิตใจหรือเข้าสู่จิตใจเป็นอาสวะที่นอง จิตสดสัดาลอยู่เพราะฉะนั้นสติที่สังวรคือระวังป้องกันอิตใจทั้งหกนี้จินเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงได้จัดสอน ให้รู้จักเอาไว้เมื่อต้องการละอาสวะที่เล็กที่ดองสันดาลก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติในอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ขนนั้น จึงจะได้กล่าวถึงเรื่องอินทรีย์แนะนำพอให้หรู้จักอินทรีย์นั่นแปล ว, ว่าเป็นใหญ่โดยที่จะขู่คือตา ก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปโสตะคือหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงคานาคือจมูกก็เป็นใหญ่ในการทราบกลิ่นหรือสดกลิ่นจิวหาคือลิ้นก็เป็นใหญ่ ในการสราบรถหรือลืมรถกายะหรือกายก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องผลพระสิ่งที่กายถูกต้องมโนที่แปลกันวัดใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมะคือเรื่องราว เพราะฉะนั้นตาหูจมูกเล่นกายและมันะ่ะคือใจทั้งหกนี้ถึงเรียกว่าอินทรีอันหนึง่งได้มีแสดงอินทรีทั้งหกนี้ ในหน้าที่อันละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกไวบางแห่งก็คืออธิบายว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้ห้าขั้ตนต้นคือตาหูจมูกลิ้นกาย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 จะสำเร็จการเห็นรูปอะไรได้ต้องมีมน โ, นโนคือใจเขาประกอบด้วยจึงจะสำเร็จการเห็นรูปถ้าไม่มีมนโนคือใจเขาประกอบด้วยก็ไม่สำเร็จการเห็นรูป อีกสี่ข้อต่อไปก็เช่นเดียวกันต้องมีมโนคือใจประกอบด้วยทุกข้อจึงจะสำเร็จการเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบผลกับพระเพราะฉะนั้นมโนคือใจ จึงต้องควบคู่อยู่กับตัดให้สำเร็จการเห็นลูกหูให้สำเร็จการได้ยินเสียงจมูกให้สำเร็จการได้ราบกลิ่นลิ้นให้สำเร็จการได้รับรสและกายให้สำเร็จ การได้ทราบผลทัพะที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้คิดเจรนาดูก็จะเห็นได้ยกโัยอย่างโสตะคือหูที่ให้สำเร็จการได้ยินเสียงจะต้องมีมโนโคือใจ เข้าประกอบด้วยจินซ์ จ, จะสมเหตุการได้ยินเสียงได้ยกตัวอย่ยางเช่นการฟังอบรมธรรมะในบัดนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังก็จะต้องเงียบโสดาบุ ส, สาท เพื่อที่จะฟังและก็จะต้องตั้งมนโนคือใจเพื่อฟังด้วยจึงจะฟังในยินแต่ขณะใดที่มนโนคือใจไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังเพราะใจถูกส่งไปในที่อื่นในเรื่องอื่น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 เมื่อมันโนคือใจพลาดออกไปเสียอูก็ดับทันทีไม่ได้ยินเสียงที่พูดนี้แต่ว่าไปรู้ในเรื่องที่มันโนคือใจส่งไปนั้นก็ฉะนั้น มโนคือใจอันเป็นข้อที่หกนี่จึงต้องประกอบอยู่กับห้าข้อข้างตนตลอดเวลาและนอกจากนี้มโนคือใจก็ย่อมเป็นใหญ่ในหน้าที่รู้ธรรมะคือเรื่องราว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 ที่ต้องประกอบอยู่ในอินรีทุกข้อแล้วก็มีหน้าที่เฉพาะข้อของตนโดยเฉพาะอีก ด, ด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรรู้จักอินรีดังกล่าวมา น, นี่ และก็ควรทราบว่าในภาษาธรรมะนั้นยังมีชื่อเรียกอีกด้วยว่าทวานและอารมณ์ทวานนั่นแปลว่า ประตูหรือช่องก็หมายถึงอินทรีทั้งหกเหล่านี้นั่นแหละแต่ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งวัาวารแปลว่าประตูกะนั่นทวาน จึงมีหกเหมือนกันได้แก่จกักรุทวารประตูตาโสตทวารประตูหูขาห น, น้ทวารประตูจมูกชิวหาทวารประตูลิ้นกายทวารประตูกาย และมโนโทวารประตูใจเป็นทวารคือประตูของอะไรก็เป็นทวารคือประตูสำหรับเข้าของอารมณ์ทั้งหกอารมณ์นั่นได้แก่เรื่องที่จิตคิด เรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงมีหกคู่กันกับทวารทั้งหกนั่นพวกคือรู ป, ปารมณ์อารมณ์คือรูปตัปทารม์อารมณ์คือเสียง พันธารมอารมณ์คือกลิ่นระสารมอารมณ์คือรสผธภพารมอารมณ์คือผลทพสิ่งที่กลายถูกต้องและธรรมารมอารมณ์คือเรื่องราวคู่กันกับทวารทั้งหกนั้น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 มาให้เหมาะให้กระทัดรัด ก, กว่าคำว่าใจจึงใช่คนเตกันไปแต่ในภาษาธรรมะนั้นต่างกันมโนนั้นเป็นอาจตนะภายในข้อที่หกเป็นอินทรีย์ข้อที่หก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 ให้อบรมจิตและจิตนี้เองเป็นธรรมชาติที่มีมุดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายจิตนี้เอง บรรลุวิสังขารคือนิพพานดังที่ไตรัสเอาไว้ว่าวิสังขารละกัจจังจิตตังจิตบรรลุวิสังขารคือนิพพานที่ปราศจากสังขารขึ้นปรุงแต่งทั้งหลายตัณหานังขยมัชฌังดาบรรลุถึงความสิ้นไปของตัณหาทั้งหลาย จิบพ้นจากอาสวะทั้งหลายดังนี้และก็ได้ตรัสเรียกจิตว่าเป็นวิญญาณธาตุธาตุรูตรัสว่าจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือพุดทอง และก็ตรัสว่าแต่ว่าจิตนี้เศร้ามองไปพระอุปกิเลสคือเครื่องเศ้ามองทั้งหลายที่จอดมาแต่ว่าจิตที่ทําจิตภาวนาคืออบรมก็ย่อมมีมุตคือหลุดพ้นจากอุปกิเลสคือเครื่องเศร้ามองทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตนี้จึงเป็นธาตุรูปที่เรียกวิญญาณธาตุและมันชาติปปปปปสอนคือผุดทองมโนคือใจนั่นเป็นขวานอันหนึ่ง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 เช่นเรียกอ ว, วิญญาณธาตคือธาตุรูและเรียกในที่อื่นอีกบางแห่งแต่แม้เช่นนั้นคำว่าวิญญาณนั้นก็ยังมีความหมายถึงขันห้าข้อที่ห้าคือวิญญาณขันซึ่ง ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นกลัดว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อตาจารย์ตนดังที่กัดแสดงไว้ในเทสนาครั้งที่สองยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ต้องเกิดดับเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ต้องแปลปรนเปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่ยอยู่ในลักษณะดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณในขันห้าจึงมิใช่จิต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 พระวางข้อที่หกนั้นก็ยังมีหน้าที่เป็นพิเศษควบคู่กับพระวันห้าข้อขอ้างต้นเช่นเดียวกับที่อธิบายเมื่อเรียกว่าอินทรีย์เพราะฉะนั้นหากจะกล่าวหรือสแสดงโดยเปรียบเทียบ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 จึงถึงจิตหรือว่าจิตที่จะออกรับอารมณ์ก็จะต้องออกทางประตูมนโนคือใจจะออกเพียงแค่นั้นก็ได้หากจะออกรับอารมณ์ภายนอกทั้งห้าคือรูปเสียงเกรอบรสผสภาพในปัจจุบันก็ต้องผ่านประตู ที่้าประตูข้างนอกนั้นด้วยจะหักว่าไม่ผ่านประตูผ้าประตูข้างนอกนั้นผ่านประตูใจเพียงประตูเดียวก็ได้คือจิตที่คิดนึกที่เรียกว่าจินตาคิดวิตกปรึกวิจารกลอง ถึงเรื่องลูกเขียนเป็นรถพลสภาพต่างๆที่เราสบพบผ่านมาแล้วในอดีตดยงที่กล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านเรียกว่านักขันสามีเจ้าเมืองนี่เป็นพระบาลีที่พระพุทธเจา้าตรเรียกจิตว่านคกขส า, ามีคือเจ้าเมือง ซึ่งนั่งอยู่ในท่ามกลางของชาติทั้งสี่ซึ่งมีประตูสำหรับที่จะเข้าสู่เจ้าเมือลงลังกล่าวและสตินั่นก็เป็นนายทวาราบาล สำหรับที่จะตรวจตราดูผู้ที่จะเข้าเมืองเมื่อเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายก็มาให้เขา้าเมื่อเป็นผู้มุ่งดีเป็นมิตรก็ให้เขา้า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 หรือว่าเมื่ออาณานาภายในภายนอกประจบ ก, กันที่พูดกันตามปกติก็ดีหรือจะแสดงว่าเมื่อประจบอารมณ์ที่ กระจบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมโะคือใจโดยเป็นเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องปวดกระพะบ้างเรื่องของเรื่องเหล่านี้บ้างสติก็ แล้วลึกรู้ว่าอะไรควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรไม่ควรจะใส่เข้าไปในใจอะไรที่ควรมานสิการอะไรที่ไม่ควรมานักสิการดังที่ตรัสไว้ในประสูตรที่ยกขึ้นเป็นที่ตั้งนี้เมื่อเป็น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 เรื่องของมิตรนี้ก็อนได้มีค่ายคำที่พระพุทธจเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เป็นภุคลาทิฏฐานอีกเหมือนกันคือถ้าเป็นศัตรูนั่นจะเรียกว่ามานคือภูมงร้ายที่จะ ผ่านทวารเข้าสู่บ้านหรือเมืองของจิตนี้โดยที่มานคือผู้มุ่งร้ายนี้ได้แสดงตนเป็นผู้มุ่งดีนำเรื่องรูปเสียงเป็นรถปฎิภา และเรื่องของเรื่องเหล่านี้ทีน่ารับใครปรารถนาพอใจเข้ามาอันทำให้เพลิสติไปได้เมื่อเพลิสติก่อนรับเข้ามานก็เข้าไปสู่จิตกับอารมณ์เหล่านี้ก็คกวนอยูใ่ในจิต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 ทรงอำนาจออกไปทําให้เผลอสติเผอปัญญายอมจิดให้มัวเมาเหมือนอย่างคนที่กินสุราดื่มสุรายาเมาจิดก็เหมือนกันเมื่อดื่มอาสวะเข้าไปก็เมาเมาก็เผลอสติเผอปัญญาจินรับเอาสมุนของมาน เข้าไปสู่จิตอยู่นึงๆก่อให้บังเกิดอาสวะขึ้นในจิตเพิ่มเติมทำให้เกิดความคับแฉงให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ไม่รู้แล้วดังที่ปรากฏแต่แม้ฉชนั้นจิตนี้ก็ยังมัวเมายังมีความเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่ก่อให้ความเดือดร้อน ในอยู่ในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความขับแค้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่ไนมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกก็อในจัดเป็นปุคลาทิฐาน ว่าได้ส่งส่งโทษคู่หนึ่งเพื่อจะผ่านบ้านผ่านเมืองเข้ามาโทษคู่นั้นก็คือว่าสมถะ้ริปัส น, นาในเมื่อสติไม่เผอสติไม่เผลปัญญาก็ย่อมจะ รับเอาธูตคูนี้เข้าสู่บ้านสู่เมืองเมื่อธูตคูนี้เข้าสู่บ้านสู่เมืองได้จิตได้รับสมถะได้รับอิปัสสนาก็ย่อมจะขายเหมาขึ้นโดยลําดับทำใม้หูตาสว่างได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็เสร็จว่าตอนรับมิต คือทูของพระพุทธเจา้าอันได้แก่สมถะวิปัจนาเข้าสู่บ้านสู่เมืองของตนพราะฉะนั้นก็จะทำให้ได้อินทรีย์สังวรถือความสมบูรวมอินทรีย์มากขึ้นก็ะมัดระวังมากขึ้นมีสติมีปัญญามากขึ้นรู้จักว่าอะไรควรจะรับอะไรไม่ควรจะรับ ไม่ควรรับก็ไม่รับใครตกอยู่แค่ตาหูจมูกริ้งกายะไรมนันเท่านั้นเมื่อควรรับเป็นสมถะเป็นวิปัสนาก็รับเข้าสู่จิตใจเพื่เพิ่มพลังของความทับูรู์อินทรีย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์จะสังวรความทมบูรณ์อินทรีย์จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหตุและอาสวะ ข้อที่เราพทดยาวกับสอนเอาไว้ต่อ